สสังฆราชสมลมหาสังฆปริณายกในังสู่ที่ราประวัติของท่านพระพัิยะได้แสดงว่าพระพัิยะเป็นโอรสของนางกาลิโคธาเป็นราชาแห่งวงสากยะ ประวัติอื่นนอกจากนี้ไม่ได้แสดงไว้ในชั้นบาหลีนี้มีเรียกว่าราชาก็แต่ท่านพัทยานี้ส่วนพระเจ้าสุดโททนะนั้นเรียกแต่เพียงว่าสุดโทธนะสักกะวันมาถึงชั้นอัตกถาจึงได้เรียกพระเจ้าสุดโททนะว่าราชาเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ชัดว่าตามประวัติที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเมื่อท่านพัทยมาบวชแล้ว ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ภายในปัญสานั่นเองและมักจะเปล่งอุทานว่าอโหสังที่แปลว่าเป็นสุขจริงหนอหรือว่าโอเป็นสุขฝ่ายผู้ภิกษุก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าบางทีท่านจะคำนึงถึงความสุขในราตสมบัติแล้วมาเปล่งอุทานดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรียกท่านมาแล้วถามว่าที่ท่านเปล่งอุทานว่า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 ท่านรู้สึกว่าเป็นสุขอย่างยิ่งจึงได้เปล่งอุทานดังนั้นต่อมาพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องท่านให้เป็นเอตะทะะักษะในทางเป็นผู้มีสกุลสูงพระอนุรุทธะนั้นท่านได้ไปทักบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่ปาจีนวังสทายวันในรัตเจติก่อนจะไปท่านได้เรียนกรรมฐาในสำนักของพระธรรมเสนาบดีคือพระสารีบุตร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 ไม่ใช่เป็นของบุคคลผู้ครุกครีด้วยหมู่คณะข้อสี่ธรรมะนี้เป็นของบุคคลผู้ปราบความเพียนไม่ใช่เป็นของบุคคลผู้เกียคร้านข้อห้าธรรมะนี้เป็นของบุคคลผู้มีสติที่ตั้งมั่นไม่ใช่เป็นของบุคคลผู้มีสติที่หลงลืมข้อหกธรรมะนี้เป็นของบุคคลผู้มีใจตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่ใช่เป็นของบุคคลผู้มีใจไม่เป็นสมาธิข้อเจ็ดธรรมะนี้ เป็นของบุคคลผู้มีปัญญาไม่ใช่เป็นของบุคคลสามปัญญาในขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในเพสกราวันมิขะายะใกล้กับเมืองสูงสุ ม, มาระิละในแควนพัทธะแต่เสด็จมาทรงแสดงเพิ่มเติมให้อีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่แปดว่าธรรมะนี้เป็นของบุคคลผู้ยินดีในธรรมที่ไม่เนิ่นช้าและได้ตรัสแสดงอนิสงค์ของการตรึกอยู่ในวิตกแปดข้อนี้ว่า เมื่อมีความตรึกอยู่เสมอดังนี้แล้วเมื่อนุน่งผมผ้าบางสุกุลก็จะเหมือนกับนุ่งผมผ้าที่ดีวิเศษของเศรษฐีครหาบดีเมื่ออาศัยอาหารก็เหมือนอย่างได้บริโภคสิ่งที่มีรถเลิศต่างๆของเศรษฐีครหาบดีเมื่ออยู่โคนต้นไม้ก็เหมือนอยู่บนเคหะที่งดงามของเศรษฐีครหาบดีเมื่อฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าก็เหมือนอย่างได้ฉันเทศสักผ้าคืคอเนยใส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 ได้เสด็จกลับจากไปหาท่านแล้วก็ได้มาตรัสมหาปุริสัตวิตกทั้งแข้อนี้แก่ภิกษุทั้งหลายและได้ทรงอธิบายโดยย่อว่าข้อว่ามีความปรารถนาน้อยนั้นก็คือแม้จะเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยมีสันโดษเป็นต้นจนถึงยินดีอยู่ในธรรมะที่ไม่น่าช้าแต่ก็ไม่ปรารถนาที่จะให้ใครรู้ว่าตนเป็นผู้ที่เป็นเช่นนั้นคือไม่ปรารถนาที่จะโอดตนที่จะง ข้อว่าสัมโส ด, ดก็คือยินดีอยู่ด้วยปัจไจทั้งสี่ตามมีตามได้ข้อว่าสงบสงับจากหมู่คณะก็คือเมื่อมีผู้ใดมาหาก็ไม่พูดให้ยืดยาวแต่ว่าชักพูดให้เรื่องสั้นเข้าที่เรียกว่าพูดด้วยถ้อยคำที่เป็นการสงกลับข้อว่าปรารนาความเพียรก็คือบำเพ็ญเพียรในที่สี่สถานดังที่แสดงไว้ในประทานสี่ข้อว่า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 ก็คือยินดีในการที่จะปฏิบัติให้ได้ถึงมรรคผลโดยรวดเร็วไม่ให้เนื่นช้าอยู่ด้วยกิเลสที่เป็นเครื่องถวงต่างๆพระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำให้พระอนุรทัจำพรรษาอยู่ที่ปาจินวังสมิตธกัาทายวันท่านได้บำเพ็ญเพียรและก็ได้มรรคผลที่สุดในพรรษานั้นในภายหลังพระศาสดาก็ได้ทรงตั้งท่านให้เป็นเอตทัคะในด้านที่เป็นผู้ที่มีทิพจักสุ คือจักสุขเป็นทิพย์ส่วนพระอานอนท์ได้ฟังธรรมของท่านพระปุณณมันตานีบุตรได้สำเร็จโสดาปติผลและต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วได้ยี่ิปีท่านจึงได้เป็นพุทธอวตารประจำองค์พระพุทธเจ้าจนปรินิพานเรื่องของท่านจะได้เล่าในต่อหลังพักคุกับกิมพิระนั้นได้บาเพ็นเพียรจนสาเร็จถึงผลที่สุด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 หรือการปฏิบัติสมณธรรมและคันธุระการเรียนคำภีต่อมาท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในภาษานั้นท่านศึกษามีความรู้แตกฉานในพระวินยัยพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องให้เป็นเอตัดทัคข้าในทางพระวินยัยที่เรียกว่าวินยัยธรส่วนผู้ที่แต่กล่าวออกไปนั้นก็คือพระเทวทัตซึ่งมีเล่า ว, ว่าได้บำเพ็ญเพียรจนได้ฤทธ ซึ่งเป็นของปุถุชนในเวลาต่อมาได้เป็นผู้มุ่งลาบสการะและได้ก่อเหตุที่ไม่สงบขึ้นหลายอย่างหลายประการจนถึงได้ทําโลหิตตุประบาทได้ทําสังฆเภทซึ่งจะได้เล่าในเมื่อถึงวาระในระหว่างพันสาเหล่านี้ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างพระพุทธเจ้าได้พระสาวกที่สําคัญมากองแม้ในฝ่ายเครือขัน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 ได้มีเรื่องเล่าถึงประวัติของนายแพทย์ผูนี้ไว้ว่าในสมัยพุทธกาลกรุงเวส า, าลีนครหลวงของรัฐวัชชีเจริญใหญ่โตมีประชาชนพลเมืองมากมีเครื่องอุปโภคบริโภคบริบูรณ์มีปราสาทอาคารบ้านเรือนคับคั่งมีสวนมีสัตว์เป็นที่เรื่นรมมากมายทั้งมีนางกณิกา ช, ชื่อว่าอัมพปาลีซึ่งมีรูปงามประดับพระนครให้งดงามนางอัมพปาลีนั้น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 และกราบทูลแนะนําให้สมตั้งสตรีรูปงามผู้หนึ่งให้เป็นนางคณิกาสําหรับพระ น, ค, นรครราชคฤิสอย่างนาครเวสาลีพระเจ้าพิมพิสารก็ประทานอนุญาตพวกกระหาบดีเหล่านั้นจึงได้เลือกปูมารีรูปงามผู้หนึ่งชื่อว่าสาลวดีตั้งให้เป็นนางคณิกาประจําคนราครราชคฤิสและตั้งอัตราบำเรงราตีละหนึ่งรอกหาปณะนะในสำํำนักขอ ง, งาขนางคณิกานี้ จะให้มีการฟ้อนรําขับร้องเป็นเครื่องบังรุงความเพลิดเพลินต่างๆเรื่องการตั้งนางคณิกาสําหรับประจำเมืองนี้ไม่เป็นประเพณีของบางรัฐในอินเดียในสมัยนั้นหญิงรูปนามผู้หนึ่งจะต้องถูกเลือกให้เป็นนางคณิกาเป็นสาธารณณะสําหรับชายทั่วไปเป็นที่นิยมว่าเป็นเครื่องประดับพระนครให้สวยงามอย่างหนึ่งเช่นโสละสะที่น่ารื่นรมจึงได้เรียกว่านาครโสพณี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 นําไปทิ้งในที่หยาดเยื่อมักถือเป็นธรรมเนียมว่าถ้าคลอดบุญเป็นหญิงก็จะเลี้ยงไว้และให้สืบ อ, อาชีพต่อไปแต่ถ้าเป็นชายก็ไม่เลี้ยงแต่ว่าเป็นบุญของเด็กคนนั้นเพราะได้มีพระราชกุมารซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าพินพิสานองค์หนึ่งมีพระนามว่าอับไพรได้เสด็จไปสู่ที่เฝ้าพระเจ้าแผ่นดินในเวลาเช้าได้ทรงเห็นฝูงกาบินว่านอยู่ในที่ซึ่งทารกถูกทิ้งไว้ก็ได้โปรดให้มหาดเล็กไปตรวจดูว่ามีอะไร ก็ได้เห็นมีเด็กถูกทิ้งก็ตรัสถามว่ายังมีชีวิตยอยู่หรือไม่มหาเล็ ก, ก็ทูลตอบว่ายังมีชีวิตยอยู่เพราะฉะนั้นจึงได้มีชื่อว่าชีวะกะและได้โปรดให้นาไปวังโปรดให้จัดพี่เลี้ยงนางนมเลี้ยงดูไว้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นจึงได้มีชื่อต่อว่าโกมารพัทหรือชีวะกะโกมารพัต่อมาเมื่อชีวะกะโกมารพัทนั้นเติบโตขึ้นแล้วก็ได้กราบทูลถาม อภัยราชกุมารถึงมารดาบิดาของตนพระราชกุมารก็ตรัสว่าพระองค์ไม่ทรงรู้จักมารดาบิดาของชีวกกะแต่ว่าได้ทรงทุบเลี้ยงชีวกกะไว้เหมือนอย่างบุตรชีวกกะกมาราพัฒน์ก็ได้พิจารณาถึงฐานะของตนคิดว่าถ้าไม่มีศิล ป, ปะจะดำรงชีวิตอยู่ในราชสำนักเป็นการยากจึงคิดไปศึกษาศิล ป, ปะวิทยาและก็ได้ตกลงเลือกเอาวิชาแพทย์เพราะเหตุว่า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 ได้แต่งแท้ไว้ว่าเท้าสักกะเทวราชได้เข้ามาสิงอาจารย์ช่วยสอนวิชาแพทย์ให้ชีวกะด้วยจนถึงสอนให้สามารถรักษาคนไข้คนเดียวก็หายได้เมื่อได้ศึกษาอยู่ถึงเจ็ปีก็คิดว่าเราได้ศึกษามามากถึงเพียงนี้ที่สุดของวิชาก็ไม่ปรากฏเมื่อไหร่จะปรากฏสักทีจึงได้เข้าไปถามอาจารย์อาจารย์สั่งให้ชีวกะถือจอบออกไปหาต้นไม้ต่างๆ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 เป็นโรคปวดทิศมาเป็นเวลาเจดปีได้มีหมอใหญ่เป็นอันมากมารักษาก็ไม่สามารถจะรักษาให้หายได้เสียเงินเสียทองไปเป็นอันมากชีว ก, กะก็เข้าไปขออ า, าสารักษาที่แรกพระยาเศรษฐีก็กล่าวปฏิเสธด้วยหมิ่นว่าเป็นหมอเด็กๆจะเสียทรัพย์เปล่าชีว ก, กะก็กล่าวรับรองว่าจะไม่เรียกทรัพย์ก่อนเมื่อบรรบัดโรคหายแล้วจะให้เท่าไหร่ก็ตามแต่จะปรารถนา ภรยาเศรษฐีจึงยอมให้รักษาชีวกะได้เข้าไปยังห้องของภรยาเศรษฐีตรวจ ด, ดูอาการต่างๆแล้วก็สั่งให้นําเนยใสมาประมาณซองมือหนึ่งบดผสมด้วยเพสตต่างๆแล้วให้ภริยาเศรษฐีมกักเมื่อภริยาเศรษฐีได้นัดยานั้นก็หายจากโรคัวดศีรษะซึ่งได้เป็นมาเวลานานจึงได้พร้อมกับเศรษฐีและญาติรวมกันมอบทรัพย์ให้แก่ชีวกะหนึ่งันหกรกหาปณะนะ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 พระเทวีทั้งหลายพากันเยอดเย้ยวา่าเทวราชทรงมีมดูจะประสูตรในไม่ช้าพระราชาทรงละอายก็โปรดให้อภัยราชกุมารหาหมอมาบำบัดพระกุมารก็ส่งหมอชีวกะเข้าไปถวายการรักษาชีวกะก็ถวายการรักษาด้วยการทายาเพียงครั้งเดียวพระเจา้าพิมุสารก็ทรงหายโรคแล้วก็โปรดให้นางสนมกำลังเป็นอันมากประดับเครื่องประดับเต็มที่แล้ว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 ตนเองจะยอมเป็นภาพถามว่าจะนอนตะแคงขวาซ้ายและนอนหงายท่าละเจ็ดเดืนได้หรือไม่เศรษฐีตอบว่าได้หมอชีวกับก็จับให้เศรษฐีนอนบนเตียงผูกติดที่เตียงแล้วผ่าหนังศีรษะเปิดรอยประสานนําปานกะสิ่งมีชีวิตอินทรีย์เล็กๆออกมาสองตัวกล่าวกันว่าพวกอาจารย์ที่เห็นตัวใหญ่ก็กล่าวว่าอีกห้าวันเศรษฐี จ, จกตายพวกอาจารย์ที่เห็นตัวเล็กก็บอกว่า อีเจ็วันเศรษฐีจัจกตายแล้วได้ปิดรอยประสานเย็บหนังศีรษะทายาให้ติดตามเดิมเศรษฐีนอนตะแคงข้างหนึ่งได้หนึ่งสัปดาห์ก็บอกว่าไม่สามารถนอนตะแคงข้างหนึ่งต่อไปได้ชีวกาก็ อ, อนุญาตให้เปลี่ยนเป็นนอนตะแคงอีกข้างหนึ่งหนึ่งสัปดาห์นอนหายหนึ่งสัปดาห์รวมเป็นสามสัปดาห์ก็บอกว่าถ้าไม่บอกให้นอนข้างละเจดเดือนเศรษฐีก็คงไม่อาจจะนอนแม้เพียงข้างละเจ็วันได้ในบัดนี้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 มีอาการอาหารไม่ย่อยอุจจาระปัสสาวะไม่คล่องมีร่างกายผายผอมลงไปเศษธีผู้บิดาจึงนำไปยังกรุงราชคฤุฑเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลขอหมอชีวกะไปช่วยรักษาหมอชีวกะไปถึงตรวจดูอาการต่างๆแล้วให้คนออกไปกั้นม่านให้พัญญาของบุตรเศรษฐียืนข้างหน้าแล้วก็ผ่านหน้าท้องนำไส้ที่บิดออกที่คลายให้เป็นปกติ แล้วสอดลำไส้เข้าไปเย็บหนังท้องทายาให้ติดกันตามเดิมการบำบัดโรคในครั้งนี้ได้ทรับหนึ่งกพันกหาปะนะครั้งนั้นพระเจ้าจันทประโชดกรุงอุชเชนีประชวนเป็นโรคปัธุ ป, ป ร, ราชคือโรคผอมเหลืองทรงส่งทูตไปทูลขอหมอชิวากาไปราาักษาหมอชิวากาไปถึงแล้วเข้าเฝ้าตวรวจพอาการต่าง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 ธรรมาว่าหมอจำต้องขุดรากไม้รวบรวมยาบางอย่างฉับพลันจึงขอให้ทรงสั่งว่าหมอชิวกกาปราถนาจะไปก็ขอให้ไปได้ด้วยพาหนะทุกอย่างโดยทวารทุกทวารและทุกเวลาตลอดถึงการกลับเข้ามาพระราชาได้โปรดสั่งตามประสงค์หมอชิวกกาได้ถวายยาเข้าในสายให้พระราชาสวยแล้วก็ไปโรงช้างขึ้นช้างพังชื่อว่าพัทธวดี หนีออกจากนกครอุชเชนีฝ่ายพระเจ้าจันทปัะโชดได้สวยยาเข้าในใสครั้นยาย่อยทรงเรอก็ทรงทราบว่าได้ถูกหมอหลอกให้ดื่มในยใสแล้วก็ทรงริ้วรับสั่งให้จับตัวหมอชีวกกะเมื่อทราบว่าขึ้นช้างพังพระทวดีหนีไปแล้วก็รับสั่งให้กากทาผู้มีฝีเท้าเร็วกว่าช้างพระทวดีรีบตามไป แต่รับสั่งห้ามกากระทาตมิให้รับอะไรของหมอชีวกะมาบริโภคเพราะพวกหมอมีมายา ม, มากกากระทาตตามไปทันหมอชีวกะซึ่งกาลังบริโภคอาหารอยู่ในเขตเมืองโกสัมพีในระหว่างทางก็แจ้งให้หมอชีวกะทราบว่ามีรับสั่งให้กลับหมอชีวกะข้อกล่าวว่าให้รอก่อนจนกว่าจะบริโภคอาหารเสร็จและชวนกากระทาตให้บริโภคอาหารด้วยเมื่อกากระทาตไม่ยอมบริโภคอาหาร จึได้แท็กยาด้วยเล็บในผลมะขามป้อมตนเองก็เคี้ยวมะขามป้อมที่ไม่ได้แทรกยาไว้และก็ชวนกากะทาตุเคี้ยวมะขามป้อมกากะทาตเห็นว่าแม้ชีวากะก็ยังเคี้ยวมะขามป้อมได้คงจะไม่เป็นอะไรก็รับอามะขามป้อมที่ถูกแทรกยาไว้มาเคี้ยวและดื่มน้ําก็ตายในทันทีนั่นเองมีความตกใจถามหมอชีวากะว่านี่จะมีชีวิตอยู่หรือไม่หมอชีวิกาก็ตอบว่า ไม่ต้องกลัวจะหายได้แต่ว่าพระราชาทรงดูร้ายนักจะให้ข้าตนเสียจึงจะไม่กลับละและก็มอบช้างพัทวดีคือให้แก่กากระธาให้นำกลับกรุงอุชเชนีพระเจ้าจันตปะปัดชดทรงหายโรคแล้วทรงระลึกถึงอธิการของหมอชีวกะโปรส่งผ้าศิวะกะคือผ้านึ่งพิเศษทอที่เมืองสีพีคู่หนึ่งไปประทานหมอชีวกาคิดว่าผ้าคู่นี้ พระพุทธเจ้าหรือพระเจ้าพิมิสารเท่านั้นสมควรจะทรงใช้โปรดติดตามรัะฟัง45ัาษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกวลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป